ทำให้เธอต้องหวานทุกคำที่เอ่ยหวานใจทำให้เธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบา้าอยู่แล้วเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไห่เธอว่า ฉันนั้นมันต้องเจียมหัวใจเก็บอาการเอาไว้แม่ใจจะสั่นระรัวอยากจะให้ดับฟ้าเอ็นดูมาวัดสักตัวก็ไม่กล้าเอ่ยออกไปเมื่อเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอ กับหัวใจเอาไงกันดีล่ะกับความรักเธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแพ้เต็มเต็มพูดตรงตรงใจมันตะกอนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆใได้แต่ยิ้งงให้ทำยังไงใจมันถึงปลงลงรักเธอจริงๆริแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาเดือดเพไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอส คนอย่างเธอ